พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้ความจริงที่พวกเราไม่รู้กันความจริงที่พวกเรารู้นีไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความหลงคือไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนคนสมัยก่อนที่เห็นว่าโลกนี้แบนโลกมันไม่แบน แต่คนเชื่อว่าแบนแต่ตอนหลังก็มีนักวิทยาศาสตร์สามารถมาพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้กลมอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นจริงมันไม่เป็นจริงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจริงคืออะไรเราคิดว่าเราเป็นร่างกายอันนี้ไม่จริงเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใครเราเป็นใจเราเป็นคนคิดคนสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆไม่ได้เป็นร่างกายเป็นเหมือนคนที่สั่งให้หุ่นกระบอกหุ่นทำอะไรต่างๆคนที่ สามกับหุ่นนี้เป็นคนละคนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเราเราเห็นร่างกายเราอยู่กับร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเพราะว่าพ่อแม่เราก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรา พ่อแม่กับสอนก็บอกเราให้เราดูแลตัวเราให้ดีก็ให้ดูแลร่างกายของเราให้เรารักให้เราห่วงให้เราห่วงร่างกายของเราเพราะเราต้องมีร่างกายอาศัยร่างกายให้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีหูตาจมูก ลิ้นกายที่สมบูรณ์สามารถดูอะไรได้ฟังอะไรได้ดมอะไรได้ริมรถอะไรได้สัมผัสแตะต้องกับสิ่งต่างๆได้เราต้องมีร่างกายเราต้องร่างกายนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็รักแล้วก็หวงมัน <c oughs> แต่เราไม่ได้ศึกษาความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะอาศัยมันไปได้ตลอดหรือเปล่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าร่างกายของเราต่อไปจะต้องแก่หรือเปล่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าจะต้องตายหรือเปล่า เรื่องเหล่านี้เราไม่ยอมคิดกันไม่อยากคิดกันไม่อยากจะลืมมันเราพยายามเอาความแก่ความเจ็บความตายนี้เอาไว้ข้างหลังใจเราทำให้เรามองไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรตามที่เราเคยทำอยู่ได้เรื่อยๆ แ่ร่างกายของเรานี้มันจะค่อยๆแก่ลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคต่างๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความสามารถที่เราจะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆก็จะค่อยๆหมดไป พอเราไม่สามารถหาความสุขได้เราก็มีความทุกข์ใจเพราะเราอยู่กับความสุขพอไม่มีความสุขก็เลยทำให้เราทุกข์ใจกันนี่คือเรื่องของสิ่งที่เราไม่ค่อยไม่ไม่คิดกันไม่ดูกันไม่มองกันเราคิดว่าเราจะอยู่กันไปเรื่อย จะมีความสุขกันไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อไปมันจะต้องหาความสุขได้ยากขึ้นความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นไปจนถึงวันสุดท้ายของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราไม่คิดไม่มองกัน เราคิดว่าร่างกายเป็นเราเราวจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไปหรือเราคิดว่าเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นความคิดที่ทำให้เราเครียดกันทำให้เราทุกข์กัน พ่อไม่มีใครอยากตายกันอั น, นี้แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพบกับสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องความจริงว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงขุ่น เป็นเหมือนอม้าตัวหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขี่มา้าเราจะไปไหนมาไหนเราก็อาศัยมา้าขี่ม้าไปนี่คือใจเป็นผู้ขี่มา้าใจเป็นผู้ขี่ร่างกายเป็นผู้กำกับร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจ ใจอยากดูก็สั่งให้ร่างกายพาไปดูอยากฟังอะไรก็สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งที่ใจอยากฟังมาฟังพอได้ดูได้ฟังแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องใช้ร่างกายคอยพาไปดูอยู่เรื่อ ย, อยคอยพาไปฟังอยู่เรื่อย คอยพาไปดื่มไปรับประทานอะไรอยู่เรื่อยๆเพื่อที่ใจจะได้มีความสุขแต่ก็อยู่ในระยะเวลาของมันเวลาที่ร่างกายยังทำอะไรได้พอเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามคำสั่งของใจได้ร่างกายก็จะ ใจก็จะลำบากใจก็จะทุกข์ใจจะขาดความสุขเวลาขาดความสุขก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาใจไม่มีความสุขแล้วถ้ามอมองความจริงว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจ เป็นโลกความดันโลกอะไรต่างๆ ก, ก็ทำให้ใจนี้ยิ่งไม่สบาย่เพราะความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายคิดว่าใจเจ็บไปกับร่างกายแก่ไปกับร่างกายตายไปกับร่างกายอันนี้เป็นความหลงที่ทำให้ชีวิตของพวกเรานั้น ต้องมีความทุกข์กันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับความที่ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เพราะเราไม่มีใครบอกเราว่าเราไม่จาเป็นจะต้องมีร่างกายเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยร่างกาย หาความสุขให้กับเราเราสามารถหาความสุขในตัวของเราเองได้ในตัวของเรานี้คือในใจของเรานี้มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราหาจากทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายมันไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ถ้ามีเงินจะไปเที่ยวก็ไปได้พอไม่มีเงินจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้พออยากจะซื้ออะไรไม่มีเงินซื้อก็ซื้อไม่ได้อันนี้ต้องมีเงินกันเงินก็ไม่ใช่เป็นของที่หาง่ายหายากบางคนก็หาได้มากบางคนก็หาได้น้อยคนที่หาได้มากก็มีความสุขมาก พอสามารถใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แต่มันก็ซื้อได้ในขอบของความแข็งแรงของร่างกายพอร่างกายไม่แข็งแรงพอร่างกายเริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายนี่เงินทองก็ซื้ออะไรไม่ได้เพราะร่างกายไม่สามารถทาตามที่ใจอยากทำอันนี้ นี่คือการอยู่ของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อยู่กันแบบนี้อยู่ด้วยการคิดว่ า, อาตอนเป็นร่างกายและความสุขของตนนี้ต้องเกิดจากการใช้ร่างกายาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ทุกคนจึงต้องหาเงินกันเพราะเงินนี้เป็นตัวแทนเป็นเป็น power เป็นพลัง ที่จะซื้อความสุขต่างๆต้องการอะไรถ้ามีเงินก็ซื้อได้ซื้อแล้วก็มีความสุขแต่เป็นความสุขที่ไม่นานเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปดูไปฟังอะไรอยู่เรื่อยๆต้องไปกินไปดื่มอะไรอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าตราบใดเรามีเงินทอง ้าตราบใดที่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เราก็สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้แต่ต่อไปร่างกายมันจะมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่สามารถหาความสุขเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้หรือบางทีเครื่องมือคือเงินทองมันก็หมดไปก่อนถึงแม้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้คนที่ไม่มีเงินทองจึงทุกข์มากบางทีต้องถึงกับหนีความทุกข์ไปด้วยการฆ่าตัวตายนี่คือเรื่องของโลกเราเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีศาสนาจะไม่ไม่มีทางออกจะไม่รู้ทางออก ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ว่าการอยู่ของเรานี้อยู่บนพื้นฐานของความความหลงไม่ใช่ความจริงความหลงที่คิดว่าความสุขของเราอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การใช้ร่างกายพาเราไปหาอะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเรา ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเรานี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเหมือนมาหรือเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นคนขับรถเราจะไปไหนมาไหนเราก็ใช้รถพาเราไปแต่ เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็สามารถมีความสุขได้มีความสุขแบบที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายคือความสุขในใจเราทำใจเราให้มีความสุขเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องดื่มไม่ต้องกินอะไรอันนี้คือสิ่งที่ เราจะได้เรียนรู้หากเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีร่างกายเราไม่ต้องมีเงินมีทองเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการมาสร้างความสุขภายในใจของเราความสุขภายในใจนี้เกิดจากการทําใจให้สงบ ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนจะมีเงินทองหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนจะมีสิ่งอะไรมาให้ความสุขกับเราหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็ร่างกายตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของม้าคนขี่ม้าไม่ทุกข์กับม้าม้ามันเจ็บก็เรื่องของม้าม้ามันแก่ก็เรื่องของม้าม้ามันตายก็เรื่องของม้าคนขี่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับม้า ใจนี่เป็นเหมือนคนขี่ร่างกายร่างกายเป็นอะไร <Jahren. S 1> ก็เรื่องของร่างกายที่ใจก็ไปห้ามไม่ได้ห้ามให้ร่างกายแก่ไม่ได้ห้ามให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามให้ร่างกายตายไปไม่ได้ถ้าใจไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายไปคิดว่าเป็นร่างกายใจจะทุกข์มากทุกข์ว่ากาลังแก่กำลังเจ็บกำลังตาย แต่ถ้ามาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นคนที่ใช้ร่างกายเป็นคนที่สั่งร่างกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจเป็นเพียงคนดูร่างกายดูร่างกายแก่ดูร่างกายเจ็บดูร่างกายตาย แต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเป็นกับร่างกายส่วนร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายแก่มันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะร่างกายมันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ว่ามันแก่มันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันตายเร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้นะต้นไม้เราจะฟันกิ่งไม้มันก็ไม่รู้อะไร เราจะตัดต้นไม้มันก็ไม่รู้อะไรมันไม่มีความรู้ในร่างต้นไม้ในร่างกายก็ไม่มีความรู้ร่างกายไม่มีการรับรู้ผู้รับรู้คือใจผู้รู้คือใจผู้รับรู้ว่าร่างกายนี้เป็นอย่างไรเยงแต่ว่าเอามีความหลงมาหลอกใจให้ไปคิดว่าเป็นเป็นร่างกายใจเป็นร่างกาย ใจก็รับรู้ว่าใจกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังตายใจก็คิดว่าตนเองแก่เจ็บตายไปกับร่างกายเท่านั้นเองเนี่ยถ้าเรามีคนมาสอนมาบอกเราว่าไม่ต้องไปกังวลกับร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันไม่ได้ทาให้เราแก่เราเจ็บเราตายไปกับมันแต่ทีนี้ถึงแม้จะบอกอยังไง ถึงแม้จะเชื่ออย่างไรแต่ความความคิดที่มันฝังใจอยู่นี้มันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้มันก็ยังคิดว่ามันร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นั้นถ้าฟังอย่างเดียวนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะแยกใจออกจากร่างกายได้ที่ความหนงมันผูกมัดใจให้ติดกับร่างกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องมีการปฏิบัติมีการใช้พลังดึงร่างกายแยกร่างแยกใจออกจากร่างกายสิ่งที่ทําทให้ใจแยกออกจากร่างกายก็คือสติปัญญานี้เองถ้าเรามาฝึกสติมาฝึกปัญญากันเราจะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้เราจะเห็นกับ ตาของเราเองกับใจของเราเองว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วพอเราแยกได้แล้วทีนี้เราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ ใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของเราที่เกิดจากการที่เราไปพึ่งร่างกาย ไปเพื่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะว่ามันเพื่งได้เป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางเวลามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราเป็นที่พึ่งของเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะต้องมีการทัดพลากจากกันไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเราไม่เป็นร่างกายเชื่อว่าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราสามารถหาความสุขในตัวเราเองได้ในใจของเราได้เราก็จะมาสร้างความสุขในใจของเราดีกว่าทำใจให้สงบ พราเวลาเราทำใจให้สงบนี้เราจะได้สองอย่างหนึ่งเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบสองเราได้แยกใจออกจากร่างกายเราจะเห็นว่าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีความสุขได้อนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัลโวทรงตัดสรลวว่า ความทุกข์ของเราเกิดจากความหลงของเราหลงที่ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เราก็จะทุกข์กันเพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย เราสามารถหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายความสุขที่ดีกว่าจากการไดจ้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ดังนั้นถ้าเราเชื่อเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติคือทำใจให้สงบทำใจให้สงบล้วเราจะรู้ว่า เรากับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเราไม่ต้องมีร่างกายเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็มีความสุขได้แล้วเวลาที่เราออกจากความสงบร่างกายกับใจมันก็จะกลับมาติดกันพอกลับมาติดกันเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เราพึ่งไม่ได้ อย่าไปพึ่งมันถ้าต้องการความสุขเราไปหาความสุขจากความสงบดีกว่าอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอันนี้เรียกว่าปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่าถ้าไปพึ่งร่างกายแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะต่อไปร่างกายเราจะพึ่งไม่ได้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่สามารถ เพื่อร่างกายนะเราจะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทําใจให้สงบเราจะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ร่างกายจะตายไปหรือไม่จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกายะ เราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเราไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดตับผ้าเรามีความสุขจากความสงบอันนี้แหละคือเรื่องที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราทุกคนเกิดมานี่ก็คิดว่าความสุขของพวกเราอยู่ที่อยู่ที่ร่างกายของเราอยู่ที่การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนี้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เอแต่มันก็หาได้เป็นตามกําลังของร่างกายเอหาได้ที่ร่างกายยังแข็งแรงยังสมบูรณ์ยังมีกําลังยังมีความสามารถก็หาได้แต่ร่างกายมันจะไม่มี มันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆมันจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยๆมันจะต้องค่อยๆเสื่อมลงไปค่อยๆแก่ลงไปดูคนแก่เนยดูคนที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็เป็นคนอาย 20, 30, ุยี่สิบสามสิบสี่สิบแข็งแรงเขาก็ไปเที่ยวไปทําอะไรได้พอเขาแก่แล้วไปดูบ้านพักคนชราด้วยไปไหนได้หรอเปล่า อยู่แต่ในบ้านพักคนชราเล่นกัเล่นกับคนชรานั่งเล่นไพ่กันนั่งดูทีวีกันนั่นแหละคือสภาพของร่างกายแล้วในที่สุดก็จะตายไปนี่คือชีวิตของพวกเราถ้าเราอาศายัยร่างกายมันก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขตอนต้น ตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนั้นร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขกันแต่ก็มาจบมามาทุกข์ตั้งที่ตอนปลายมาทุกข์ที่ตอนแก่ตอนเจ็บตอนตายแล้วมันไม่ใช่ตายแล้วมันจะจบนะเราคิดว่าเราตายร่างกายตายเราจะาเราก็ตายไปกับร่างกายแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของเราไม่มีวันตายใจที่ไม่มีวันตายนี้แต่เป็นใจที่ยังมีความอยากอยู่ยังอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็จะไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขใหม่เหมือนกับสมัยนี้เดี๋ยวนี้เราต้องใช้มือถือเป็นเครื่องมือหาความสุขกันใช่ไหม พอมีมือถือเราก็สามารถทำอะไรได้ติดต่อคนนั้นคนนี้ดูนั่นดูนี่ฟังนุ่นฟังนี่ได้ซื้ออะไรได้พอมือถือเสียเราจะทำไงหรือมือถือหายไปจะทำไงเราก็ไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็แบบเดียวกันร่างกายเราก็เป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือไว้ดู้ไว้ฟัง ไว้ทำอะไรต่างๆพอร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไปคอยดูบ้านไหนเพิ่งแต่งงานเราก็คอยเพ้าติดตามไปตามบาร์ตามผับตามโรงแรมต่างๆไปคอยดูว่าเขามีการผสมพันธ์กันหรือเปล่ามีการก่อสร้าง สร้างร่างกายขึ้นมาหรือเปล่าพอมีการผสมพันกันขึ้นมาพอเชื้อของพ่อของแม่มารวมกันปับ๊บเราก็เข้าไปรวมเลยเราก็ไปจองตัวนี้เลยจองร่างกายอันนี้ว่าเป็นของเราเลยก็เลยเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก้าเดือนเราก็ออกมาจากท้อง ออกมาแล้วก็รอให้อายุโตขึ้นเรียนจบธรรมากินเองได้ทีนี้ก็ไปตอนที่ยังไม่จบก็ยังหานี่ก็ยังเที่ยวอยู่ยังหาความสุขอยู่แต่ไม่ได้หาได้เต็มรูปแบบเพราะยังไม่มีกำลังพอกำลังเนี่ยทรัพย์กลังกายก็ยังน้อยกำลังทรัพย์ก็ยังน้อยอยู่แต่พอเราโตขึ้นเป็นอิสระจากพ่อแม่เรียนจบหาเงินเองได้ ทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้แบบเต็มกำลังตามความสามารถของเราถ้าเราสามารถหาเงินได้มากเราก็สามารถหาความสุขได้มากอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะไปไหนก็ไปได้เราก็จะทำอย่างนี้ไปจนถึงวาะที่ร่างกายแก่เราก็จะก็หยุดไม่สามารถทำได้ เหมือนมือถือมันเริ่มเก่าแล้วเริ่มไม่สามารถใช้แอปอันนั้นแอปอันนี้ได้เพราะว่ามันมันหมดยุคถ้าอยากจะใช้แอปใหม่นี้ต้องซื้อเครื่องใหม่ละเดี๋ยวก็ต้องรอให้ร่างกายอันเก่านี้ตายไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปรอหาร่างกายอันใหม่ต่อไป่นี่คือร่างกายของเราเป็นเหมือนมือถือ ที่พวกเราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งละเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตายไปแล้วเดี๋ยวก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอก็เหมือนช่วงที่เรานอนหลับเวลานอนหลับนี้เราก็จะมีสองอย่างเราก็จะฝันดีหรือฝันร้ายหรือไม่ฝันฝันดีก็เป็นเพราะว่าเราทำความดีไว้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ ความดีมันก็จะผลิตเรื่องดีๆให้เราได้ชมขณะที่เรานอนหลับถ้าฝันร้ายก็เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีของเราเราไปทำร้ายผู้อื่นไปกันแกล้งผู้อื่นไปหลอกลวงผู้อื่นไปโกงผู้อื่นไปฆ่าผู้อื่นไ ป, ไปทำอะไรที่เสียหายกับผู้อื่นพอเวลานอนหลับมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้กลับมาหาเรา เมือเราก็จะฝันร้ายฝันว่าเราไปถูกเขาทำร้ายถูกเขาทำนูน่นทำนี่อันนี้ก็เป็นช่วงที่เราเวลาไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็เหมือนกับคนนอนหลับฝันไปช่วงที่รอเวลารอให้มีร่างกายใหม่เราก็ฝันไปเรื่อยๆถ้าเราฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ ถ้าเราฝันไม่ดีเราก็เรียกว่านาลกเรียกว่าเปรตเรียกอสูรละกายเรียกว่าอบายแล้วก็ฝันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งกำลังที่ทำให้เราฝันมันหมดกำลังลงมันหยุดพอหมดเราก็ไปได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ออกมาจากท้องแม่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่ออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมา กลับมาสู่โลกนี้ใหม่เน้นการตายนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างกายร่างกายเก่ามันเสียแล้วเหมือนเราเปลี่ยนมือถือมือถือเก่ามันเสียแล้วเราก็เดินไปที่ร้านขายมือถือแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วเราก็ได้มือถือเครื่องใหม่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเวลาเราจะเปลี่ยนร่างกายก็คือเราก็ต้องให้ร่างกายนี้ตายไป พอร่างกายตายไปเราก็นอนหลับไปแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็มาใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือหาความสุขใหม่ต่อไปทำอย่างนี้มาเรื่อยๆร่างกายนี้มีหลายล้านล่างนะที่เราผ่านใช้ที่เราที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะรู้ว่าเราเปลี่ยนร่างกายมากี่ครัง้ง ให้เราเอาน้ำตาที่เราร้องไห้ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเนี่ยเวลาเรามาเกิดน like ี like bueno> Dieses, ้มีใครไม่ร้องไห้ไหมมีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมทุกคนต้องร้องไห้กันนช่ไหมต้องมีหลังน้ำตากันท่านบอกว่าเอาน้ำตาที่เราหลังเนี่ยมาเก็บไว้มารวบรวมไว้ใส่ในขวดเนี่ยใส่ในภาชนะเราเก็บเอาไว้ทุกพบทุกชาติเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ย แตมาน้ําตาที่เราหลังนี้มากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรสิคิดดูแล้วกั น, กนว่าต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งกลับมาร้องไห้กี่ครั้งถึงจะมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือจํานวนร่างกายที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเราจะเปลี่ยนต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าตราบใดเรายังอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ถ้าเรายังอยากมี อยากยากังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นเราก็ต้องมีตาหูจมูกลินกายถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายเราก็ต้องหยุดใช้ร่างกายหยุดหยุดความอยากหนาะความสุขทางตาหูจมูกลินกายพวกนักบวชเนี่ยเขาก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปหยุดกันไปอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็ไปนั่งหลับตาทําใจให้สงบ พอใจสงบความอยากมันก็จะหยุดไปชั่วคราวแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่มันมีอยู่ในใจที่มันหายไปมันหายเพราะความอยากพอมีความอยากแล้วมันจะทำให้ใจเราหิวขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขพออยากได้แล้ว อ, นะอยู่เฉยเฉยไม่ได้แต่เวลาไม่มีความอยากนี่อยู่เฉยเฉยได้อันนี้แหละ เราต้องมาหยุดความอยากกันหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขทางตาหูจมูกบินก้นไกยความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกบินก้นไกยเรียกว่ากามตันหาตันหาแปลว่าความอยากกามแปลว่ากามคุณห้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ่นกายจะเห็นรูปได้ต้องมีตาถ้าตาบอดนี้มองไม่เห็นรูปมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นภาพถ้าหูหนวกจะไม่ได้ยินเสียงเห็นต้องมีตาหูจมูกลิ่นกายถึงจะสามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัดได้อันนี้เป็น ตัวที่ทำให้ทาให้เราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเรียกว่ากามารตันหาภาวะตันหาก็คือความอยากมีความสุขจากภาวะนั้นภาวะนี้ภาวะตันหานี้ก็เป็นความสุขขอให้มีอยู่ในสภาพที่มีความสุขก็แล้วกันถ้ามีอยู่ในสภาพไหนที่มีความสุขก็ ก็ยินดีถ้าอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขก็พยายามดิ้นหาใหม่เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราอยู่ในภาวะที่ไม่มีความสุขเราก็อยากจะให้มันหายเพื่อเราจะได้มีความสุขเราไม่อยากจะอยู่ในภาวะที่มันมีแต่ความทุกข์เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือไม่อยากอยู่ในภาวะที่มีแต่ความทุกข์ เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาอดอยากขาดแค้นเวลาทุกข์ยากลำบากต่างๆไม่มีใครอยากจะอยู่อยู่แบบนั้นกันจะต้องดิ้นหนีกันดิ้นไปหาภาวะหาภาวะที่ดีกันพวกเราทุกคนดิ้นหนีหนีความยากจนกันนั้นเนี่ยที่ต้องทามาหากินหาเงินหาทองเพราะกลัวความยากจนกันไม่อยากจะอยู่กับความยากจนอยากจะอยู่กับความร่ารวย เพราะความร่ำรวยมันเป็นภาวะที่มีความสุขแต่ภาวะที่ยากจนนี้มันเป็นภาวะที่มีแต่ความทุกข์แต่บางที่เราก็หนีไม่พ้นทำไมถึงต้องมีขอทานทำไมต้องมีต้องมีคนไม่มีบ้านอยู่อยู่ตามอยู่ตามข้างถนนก็เพราะว่าการดำเนินชีวิตของเขาอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรปัญหาขึ้นมาที่เขาแก้ไม่ได้ เขาก็เลยต้องไปอยู่ในสภาพอย่างนั้นนี่คือตัวที่ทําให้เราทุกข์ตัวที่ทําให้เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามตัวนี้กามตาตนะภาวะตันหาวิภาวะตันหาถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดนี่เราต้องหยุดสามตัวนี้หยุดกามตาตนะหยุดภาวะตันหาหยุดสแสวงหาหาภาวะที่เป็นสุข หยุดดิ้นหนีจากภาวะที่เป็นทุกข์อยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันถ้าไม่มีสุขก็ไม่ต้องไปหามันถ้ามีทุกข์ก็ไม่ต้องหนีมันอยู่กับมันไปอวิธีที่จะอยู่แบบนี้ก็ต้องมาอยู่แบบนักบวชเนยนักบวชนี่มาฝึกอยู่แบบไม่หนีภาวะที่เป็นทุกข์ไม่วิ่งหาภาวะที่เป็นสุขเห็น ไ, ไหมนักบวชไม่ได้ไปหาความสุขเหมือนกับ คาราวาสใช่คาราวาสนี้ไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงตามตามลงมหอรสศพตามร้านอาหารตามโรงแรมต่างๆนักบวชก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าก็มีความทุกข์ยากลำบากก็ไม่หนีมันไม่หนีออกจากป่าอยู่ในป่านี่คือการฝึกตัดภาวะตันหาวิภาวะตันหา แล้วก็ไม่ใช้ตาหูจมูกนิ้นกายหาอะไรต่างๆมาเสกม่หารูปเสียงกลิ่นรสมาเสกการที่จะอยู่แบบนี้ได้ต้องมีกำลังที่จะหยุดความอยากต้องมีกำลังที่จะทำให้ใจสงบให้ได้ mm hmm. การจะมีกำลังก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสตินี้จะหยุดความอยากไม่ได้ถ้ามีสติจะหยุดความอยากได้เพราะสตินี้จะหยุดความคิด พอคิดพอไม่คิดความอยากก็เกิดไม่ได้ตอนนี้เราไม่คิดถึงกาแฟเราไม่มีความอยากกาแฟใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราไปคิดถึงกาแฟเดี๋ยวก็อยากดื่มกาแฟขึ้นมาเดี๋ยวถ้าคิดอยากจะดูอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากดูขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดความอยากก็เลยไม่เกิดฉะนั้นเราสามารถค <c oughs> อยควบคุมความคิดได้พอมันคิดจะอยากอะไรก็หยุดมัน คิดอยากจะดูก็หยุดมันคิดอยากจะฟังอะไรก็หยุดมันนี่คือวิธีหยุดความอยากวิธี <c oughs> สร้างความสุขเราต้องมีสติเพราะสติเท่านั้นแหะที่จะสามารถหยุดความคิดของเราได้ถ้าเรามีสติเราสามารถสั่งให้ใจคิดอยู่เรื่องเรื่องที่ไม่มีความอยาก แค่นเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเออเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะลืมเรื่องต่างๆไปลืมเรื่องกาแฟลืมเรื่องขนมลืมเรื่องภาพยนตร์ลืมเรื่องสามีเรื่องภรรยาลืมเรื่องแม้แต่ร่างกายก็ลืมได้เคยทุกกับร่างกายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หาย ถ้าไปคิดถึงโรคมะเร็งที่ไรก็ทุกขึ้นมาทันทีถ้าใช้พุทโธพุทโธหยุดไม่ให้ไปคิดถึงมันมันก็ลืมได้พอมันลืมมันก็ไม่ทุกข์กับโรคมะเร็งถึงแม้ยังจะถึงแม้มันจะมีอยู่ในร่างกายแต่ใจไม่เอามาคิดใจก็ไม่ทุกข์กับมันแต่พอใจเอามาคิดปั๊บใจทุกข์ทันทีเพราะอยากให้โรคมะเร็งมันหายไปอยากไม่มีโรคมะเร็งแต่มันไม่หายมันก็เลยทุกข์เนี่ย นี่คือวิธีที่เราจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์จะทำให้ใจเราสุขเราต้องมาหัดหยุดความคิดกันให้ได้<ม>การหัดหยุดหัดความคิดมันก็มีหลายวิธีสี่สิบวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ใช้แบบใช้แบบได้ทุกอย่างทุกทุกโาระโอกาสก็คือการใช้คําบริกรมพุทโท ธ, ธรรมโมสังโฆก็ได้ หรือการ ส, สวดบทสวดมนต์ไปก็ได้ทําขอให้ใจเรามีงานทําขอให้ใจเราคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ ท, าทําททให้เราอยากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ คือลมหายใจเข้าออกได้ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวใจเราก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบแล้วก็สบายใจตอนนั้นเหมือนกับออกจากโลกนี้ไปออกจากร่างกายนี้ไปร่างกายนี้จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของใจในตอนนั้นใจจะลืมร่างกายไปใจจะอยู่แบบไม่มีร่างกายนี่แหละคือการที่เราจะ เปลี่ยนการอยู่ของเราเปลี่ยนการหาความสุขของเราเป็นการหาความสุขที่เป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกข์มาเปลี่ยนมาหาความสุขที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยไม่เป็นทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาด้วยการหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าใช้สติก็จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ชั่วคราว พอเราไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็จะคิดขึ้นมาแล้วก็จะอยากขึ้นมาได้แล้วเราก็จะต้องทุกข์เพราะเราก็จะต้องไปดิ่งหาสิ่งที่เราอยากได้พอได้มาเราก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็อยากใหม่แล้วถ้าอยากแล้วไม่สามารถหาได้เราก็จะทุกข์ฉนั้นเราต้องพยายามเวลาออกจากสมาธิมาเวลาที่เรา เผลอสติแล้วไปอยากถ้าเราอยากจะทำให้เราหายอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปดื่มกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปความสุขที่ได้จากกาแฟถ้วยนั้นเดี๋ยวเดียวมันก็หมด ถ้าอยากจะได้ใหม่อยากจะมีความสุขใหม่ก็ต้องดื่มใหม่อีกล้วถ้าเกิดไม่มีให้ดื่มก็จะทุกข์หรือถ้าดื่มมากเกินไปร่างกายก็รับไม่ได้หมอก็ต้องห้ามไม่ให้ดื่มอีกก็ต้องทุกข์อีกเพราะอยากจะดื่มแล้วดื่มไม่ได้ให้คิดแบบนี้ให้คิดว่าอย่าไปทาตามความอยากอย่าไปหาความสุขจากการทำตามความอยากต่าง ถ้าอยากจะมีความสุขกลับไปนั่งสมาธิดีกว่ากลับไปพุทธโธพุทธโธพุทธโธกลับไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกดีกว่าเดี๋ยวพอใจสงบใจก็มีความสุขขึ้นมาแล้วความสุขแบบนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอันตรายสามารถมีได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราเคยนั่งสมาธิได้แล้วเราสามารถนี้นั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เวลาใดที anto, ่เราต้องการความสุขเราก็ไปนั่งสมาธิเวลาใดที่เรามีความทุกข์เราต้องการดับความทุกข์เราก็ไปนั่งสมาธิอย่าไปดับความทุกข์ด้วยวิธีทําตามความอยากมันมันไม่หายมันเพียงแต่มากลบเอาไว้ชั่วคราวเราทุกข์เพราะอยากจะดื่มกาแฟเราก็เลยไปดื่มกาแฟพอเราดื่มกาแฟความทุกข์ที่เกิดจากนี้การดื่มกาแฟก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอรีดกาแฟหมดความอยาก ดื่มกาแฟก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันจะไม่มีวันหายวิธีที่จะให้มันหายก็คือเราอย่าไปดื่มกาแฟทุกครั้งที่เราอยากจะดื่มกาแฟเราก็ไปนั่งสมาธิแทนไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวพอใจสงบใจเราก็มีความสุขขึ้นมาความอยากดื่มกาแฟก็หายไปนี้เป็น ยกตัวอย่างเราสามารถใช้กับความอยากทุกชนิดไม่ว่าเราจะอยากอะไรแล้วถ้าเราไม่ได้เราอยากไปทำมันอยากให้ร่างกายเมือเทนถ้าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหายแต่มันไม่หายก็อย่าไปอยากดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าไปทําใจให้สงบแล้วใจจะมีความสุขถึงแม้ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าไปอยากแล้วมันจะเครียด เมื่อไหร่จะหายทันทีเมื่อไหร่จะหายคอยดูอยู่เรื่อยๆพอไม่หายก็เครียดขึ้นมานี่คือวิธีที่เราจะสามารถที่จะแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันทุกคนคือปัญหาที่เกิดจากการทำอะไรตามความอยากไม่ได้อยากก็ไม่ได้เวลาอยากได้ไม่เป็นปัญหาหรอกอยากได้อะไรพอได้มาดีใจกันมีความสุขกัน มันมันจะเป็นปัญหาตอนที่อยากแล้วมันไม่ได้ตอนนั้นจะทุกข์มากจะเครียดมากวิธีที่จะแก้วความทุกข์แก้วความเครียดก็คือไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบกันอย่าไปแก้ด้วยการไปแก้ที่ปัญหาปัญหานั้นถึงแม้จะแก้ได้ก็เดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่มาให้แก้อหรือปัญหาอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีกลับมาซ้ารอยอยู่แน เป็นปัญหาโทรศัพท์เครื่องนี้เสียก็ซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่เดี๋ยวสักพักมันก็เสียอีกอ่ะเสียก็ต้องซื้อใหม่อีกอ่ะมันไม่มีวันจบถ้าเลิกใช้มันสักอย่างก็จบไปนั่งสมาธิแล้วเลิกเลิกใช้โทรศัพท์มือถือเสียก็จบไม่ต้องติดต่อกับใครไม่จําเป็นจะต้องติดต่อใครถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วไม่ต้องติดต่ออะไรกับใครไม่ต้องมีอะไรไปอยู่เป็นไปบวชได้ พอไปบวชแล้วไม่ต้องยุ่งกับใครไม่มีใครมายุ่งกับเราเห็นมอันนี้หนละคือเรื่องความจริงที่พวกเราไม่รู้กันเราอยู่กับโลกของความหลงเราหลงไปคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การใช้ร่างกายการใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ หาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากการมีอำนาจเป็น เ, เป็นปรธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆเพราะเป็นใหญ่แล้วสามารถสั่งทํานู่นทํานี่ได้อยากจะทําอะไรสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ได้มีอำนาจเนีอยากมีอำนาจ อ, าอยากมีเงิน อ, อยากมีชื่อเสียงอยากให้มีคนยกย่องว่าคนนี้เก่ง เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่พอเวลาไม่ได้เป็นขึ้นมาก็จะเสียใจกลยเป็นนายกเดี๋ยวพอหมดพอต้องกลับไปเป็นคนธรรมดาก็เสียใจเหงาไม่มีใครมาสนใจเราละตอนที่เป็นนายกคงมีคนมาคอยต้อนรับเราคอยรับใช้เราพอไม่ได้เป็นนายกไม่มีใครเข้าหาันหันหน้ามาหาเราเขาไปหาหนายกคนใหม่กันนายกคนเก่าเขาลืมไปแล้ว นี่คือเรื่องของความสุขทางโลกมันมีความสุขชั่วคราวความสุขที่จะต้องหมดไปเวลาหมดแล้วก็จะปล่อยให้เราเศร้าใจเสียใจน้อยใจเบื่อนายซึมเศร้ามาหาความสุขที่ไม่ไม่มีวันหมดดีกว่ามาหาความสุขจากการมาหยุดความคิดหยุดความอยากดีกว่า มาพุโทโธพุโทโธพุโทโธลองทาดูสิมันยากตรงไหนคำว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยท่องมันไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จาเป็นจริงๆอย่าไปคิดอย่าปล่อยให้มันไปคิดคิดไปเที่ยวที่นั่นคิดไปหาแฟนที่นูน่นคิดไปซื้อนูน่นซื้อนี่อย่าไปคิดเป็นของพวกนี้เป็นของไรสาระทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันมีความหมายอะไรให้ความสุขเราไปเดียวปรเดา แล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปมันก็ปล่อยให้เราว่างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายสู้มาอยู่กับความว่างแต่อยู่กับความสงบ ớ. อยู่กับไม่มีอะไรจะอยู่แบบไม่มีอะไรได้ต้องทำใจให้สงบต้องทาให้ใจให้ไม่มีความคิดไม่มีความอยากเวลามันคิดมันอยากจะต้องหยุดมันให้ได้เวลามันอยากจะไปเที่ยวก็ต้องกุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป จนกว่ามันจะริืมจนกว่ามันจะเลิอกอยากถ้ายังอ ย, อยากอยู่ก็พุโทโธไปเรื่อยๆสู้กับมันไปอถ้าเราไม่ยอมแพ้เดี๋ยวมันต้องยอมแพ้เราความอยากมันสู้เราไม่ได้แต่เรามักจะ ย, ยอมแพ้มันก่อนเราขี้เกียจพุโทโธกันพอพุโทโธได้สองคำไม่เอาไปดื่มกาแฟดีกว่าไปสูบบุหรี่ดีกว่าอย่างี้มันก็เลยไม่มีวันที่จะชนะมันถ้าอยากจะชนะมันต้องเด็ดขาดเด็ดเดียวะ ไม่เอาเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบให้ได้ให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิด ป, ปั๊บไปก็จะหยุดอยากพอมันหยุดอยากเราจะรู้สึกเบาออเบาใจขึ้นมาทันทีความกดดันของความอยากนี่มันจะหายไปเหมือนกับกาหม้อที่เราต้มน้ำแล้วเราปิดฝาไว้เนี่ยมันเวลามีความร้อ น, นอมากๆมันจะมีไอคอยจะดันฝาให้ พรื้อขึ้นมาพอเรายกฝาออกปั๊บความดันนี้มันจะหายไปหมดความกดดันในใจแล้วนี้เกิดจากความอยากของเราออยากจะทําอะไรแล้วถ้าไม่ทํานี้โอมันรู้สึกจะอึดอัดอึดอัดแน่น อ, อกแ น, น, น่นนั่น อ, อกแน่นใจแต่พอเราอาแต่พอเราสู้กับมันทําให้มันหยุดได้ความเบา อ, อกเบาใจก็จะเกิดขึ้นมา ความเบาอกเบาใจนี้เกิดได้สองแบบทําตามความอยากมันก็เบาอกเบาใจได้พออยากจะทําอะไรมันอึดอัดพอเราได้ไปทําตามที่เราอยากมันก็หายอึดอัดแต่อันนี้เป็นแบบหายแบบชั่วคราวเดี๋ยวมันจะกลับมาอึดอัดใหม่ถ้าจะทําทให้มันหายแบบถาวรต้องให้มันหยุดไปเองต้องให้มันหมดกําลังไปเองให้ความอยากมันหมดกําลังไปเองเพอความอยากมันหมดกําลังแล้ว ความอึดอัดในใจมันก็จะหายไปการที่จะทําให้มันเบาหรือหายไปก็คือเนี่ยต้องมาหยุดความคิดกันหยุดความอยากกันใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปทั้งพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปสู้กับมันไปเดี๋ยวถ้าเราชนะมันถ้ามันยอมแพ้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเบาขึ้นมามีความสุขแล้วต่อไปความอยากมันจะไม่กลับมาหาเราอีกเนี่ย มันรู้ว่ากลับมาเพราะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเราได้ถ้าเราชนะมันครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะชนะมันไปได้เรื่อยๆถ้าเราแพ้มันเราก็จะแพ้มันไปเรื่อยๆถ้าเรายอมแพ้มันมันก็จะเราก็จะแพ้มันไปได้เรื่อยๆคนที่เลิกบุหรี่ได้แสดงว่าเขาชนะความอยากคนที่เลิกดื่มสุราได้ก็เพราะว่าเขาชนะเขาชนะความอยากดื่มสุราคนที่เลิกเที่ยวได้ก็เพราะว่าเขาชนะความอยากเที่ยว มันนี่เป็นความอยากกันนะการกระทำต่างๆที่เราทำกันนี้การจากความอยากเป็นส่วนใหญ่เกิดจากความจำเป็นนี่มีน้อยความจำเป็นก็มีบ้างคือความจำเป็นที่ต้อง เ, เลี้ยงดูร่างกายเหล่านี้มันก็เป็นความจำเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากเมื่อร่างกายหิวก็ต้องให้อาหารมันถ้ากินตามความหิวของร่างกายนี่ไม่เป็นความอยากถ้าร่างกายไม่หิวแล้วอยากกินอันนี้ถึงเรากินตามความอยาก เพรนความจําเป็นจริงๆที่เราต้องทํานี้มีไม่มากคือการเลี้ยงดูร่างกายสําหรับพระท่านก็ให้กินหนเดียวจบเออกินหนเดียวก็พอร่างกายความจําเป็นที่จะต้องที่จะต้องทําเพื่อร่างกายก็มีกินหนเดียวแต่ถ้าเป็นความอยากก็ อ, อย่างญาณโยมนี้กินวันละสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งกินตอนเช้ากินตอนกลางวันกินตอนเย็นกินตอนนอน แล้วช่วงกลางวันบางช่วงก็ยังกินสลับกันไปสลับกันมาไม่กินข น, นมก็ดื่มกาแฟมีการกินการอะไรอยู่เรื่อยๆตามความอยากอยู่เรื่อยๆเนีย่ยมันติดแล้วพอไม่ลองลองไม่ได้กินของพวกนี้ดูสิลองไปติดคุกดูสิเป็นยังไงคุกเขาก็จะให้กินตามเวลาเยเวลาไปติดคุกนี้เขาก็ให้กินเหมือนกันแต่กินตามความจําเป็นไม่ได้ปล่อยให้กินตามความอยากคนจึงไม่ค่อยชอบไปติดคุก ก, กันไง พรติดคุกเรามันไม่สามารถทําตามความอยากได้แต่ถ้าคนนั่งสมาธิเป็นติดคุกก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากจะกินอะไรกินตามเวลาได้เขาให้กินเวลาไหนก็กินเวลานั้นได้เขาให้ดูอะไรตามเวลาก็ดูได้ถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีความสุขก็ไปนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบก็มีความสุขได้อันนี้ดีกว่าเยอะ แล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับปัญหาของทางร่างกายร่างกายจะโอดอยากขาดแคลนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะแก่จะตายไม่มีปัญหากับใจที่มีความสงบใจที่สามารถหาความสุขจากความสงบได้ไม่ต้องอาศัยร่างกายอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาร้องไห้ ให้มีน้ำตาล ม, มากเท่ากับน้ำในมาหาสมุทรติกต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถมาฝึกสมาธิมาหาความสุขจับความสงบได้เรายังต้องใช้ร่างกายอยู่เราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่ได้เรื่อ ย, อยกลับมาเกิดกลับมาใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆแล้วเราก็มาเศร้าโศกเสียใจตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหมอ่อ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเอาจริงเอาจังกับการฝึกสมาธิเอาจริงเอาจังกับการหาความสุขจากความสงบนี้เพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถหาความหาความสุขจากความสงบได้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาหาสิ่งต่างๆอีกต่อไปอันนี้แหละ เป็นความจริงที่พวกเราไม่รู้กันคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาจะไม่รู้ความจริงอันนี้เขาก็จะเดินหาความสุขผ่านทางร่างกายกันหาเงินหาทองเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแต่เดี๋ยวก็ตายไปตายไปเงินที่มีต้องเยอะแยะเอาไปได้หรือเปล่าไม่ได้ ก็ทิ้งให้คนอื่นไปแล้วตัวเองก็กลับมาเกิดใหม่มาเริ่มต้นใหม่อันนี้คือเรื่องของคนที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าการอยู่แบบที่เราอยู่กันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราไม่ได้เป็นการสร้างความสุขถ้าอยากจะสร้างความสุขให้กับใจเราต้องสร้างความสุขจากความสงบเท่านั้นเพราะเป็นความสุขที่ปลอดจากความทุกข์ เหมือนกับผลไม้หรือผักที่เขาปลอดสารพิษอย่างนี้เขามีผลไม้ที่เขาไม่ใช้ยาฉีดกันผักก็ไม่ใช้ยาฉีดกันเพราะเขาเห็นว่ายาฉีดนี่ถึงแม้จะฆ่ า, มาแมลงฆ่าที่มากัดมากินผักมากินผลไม้แต่มันมีตกค้างอยู่ในตัวผักตัวผลไม้พอเรากินเข้าไป มันก็จะเกิดเป็นโรคขึ้นมาได้เป็นเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นมาได้เขาถึงในนี้พยายามหลีกเลี่ยงอผลไม้หรือผักที่มีการฉีดยาฆ่ามะเมร็งเอาผลไม้ปลอดปราศจากสารพิษอันนี้ก็เหมือนกันความสุขที่ได้เกิดจากความสงบนี้ก็เป็นเหมือนความสุขที่ไม่มีสารพิษตามมาไม่มีทุกข์ตามมา นั่งสมาธิกี่ครั้งนี้ยังไม่มีทุกข์ตามมาแต่ถ้าหาความสุขจากทางร่างกายนี้เดี๋ยวจะต้องมีความทุกข์ตามมาเวลาเราไม่สามารถหามันได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นขอให้เรามาหาความสุขปราศจากสารพิษดีกว่าอย่าหาความสุขแบบมีสารพิษคือหาความสุขจากทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย ให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบแล้วเราจะสบายตลอดเวลาเราจะไม่ต้องมากังวลกับร่างกายร่างกายจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ <S <S ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายและเราไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายดังนั้นเรายิน <est> ดีให้ร<ด>่างกายไปเป็นไปตามเรื่องของเขาได้ แต่ถ้าเรายังพึ่งนั่งกายอยู่นี่เราจะไม่ยอมไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายใช่ไหมยอมผมกันทําไมไม่ยอมให้มันแก่ใช่ไหมถึงต้องยอมผมกันยังอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เอยังต้องไปทําสัญญกรรมตกแต่งอยู่ทําไมเพราะยังอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นไม่ยอมให้มันแก่เพราะถ้าแก่แล้วไม่มีแฟนหาแฟนยากเออถ้าหนุ่มนี่หาแฟนง่ายกว่าหนุ่มสาวมันหาแฟนง่ายกว่าเออ นี่เป็นเพราะว่ายัางต้องอาศัยร่างกายอยู่โดยไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บต้องหาวิธีรักษาป้องกันโครคภัยค่าเจ็บคนมีเงินนี่โอยมียามีอยู่มีย า, ม, ยามีวิธีป้องกันโครคภัยค่าเจ็บเยอะแยะไปหมดแต่ป้องกันไงมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีพขณะจะทําให้เจ็บช้าหน่อยท่านเองแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีเจ็บค่าได้ป่วยอยู่ดีตายช้าหน่อยแต่มันก็ต้องตายอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราถ้าไม่อยากจะต้องเจอกับปัญหาที่เรากำลังเจอกันอยู่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันใหม่มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบอย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเพราะว่าจะต้องเจอความทุกข์เวลามันสะดุดเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราหาไม่ได้ตอนนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เอาแั้น่ยวันนี้ก็พูดเรื่องความจริงของที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเรามาสอนมาบอกพวกเราพวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่มีคนฉลาดมาบอกเราให้เรารู้ความจริงเพื่อที่เราจะได้หลีกเรื่องการกระทำที่เกิดโทษกับเราให้มาหามาทำชีมาทาการกระทำที่มีแต่คุณเพียงอย่างเดียวคือการมาทำใจให้สงบ การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพโุเรนตุสังกปา จันโทปนะอาระโสยะาเมณิโชติอระโสยะาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิตสนิจจังวุฒถาปัจชายิโนจตารธัมมาวทาติอายุวโนสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา369 YouTube 191 วิทยุออนไลน์สามสิบสี่รับฟังข้างบนภูเขาสามสิบสองคนรวมทั้งหมดหกร้อยยี่สิบหกครับค่ับกลับนักการค่ะหนูมีคำถามคือณตอนนี้ค่ะหนูสร้างน ว, วัตกรรมเพื่อการศึกษาท o p t a l ล n t ซึ่งมีเป้าหมายมีพั่นที่จะอยากให้น ว, วัตกรรมตัวนี้ค่ะ วิเคราะห์สกขภาพเด็กะคะตั้งแต่เริ่มต้นในวัยเรียนก่อนวัยเรียนแล้วก็จะเป็นดาต้าที่กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศอยากจะเปลี่ยนประเทศด้วยด้วยการระบบการศึกษาแบบใหม่ค่ะแล้วหนูทามาหลายปีแล้วแล้วก็ทั้งจำนวนเงินและแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทตอนระยะหลังนี้หนูเริ่มท้อ เพราะว่าหนูมีเหตุปัจจัยคือแม่กับพ่อก็อายุเจ็สเก้าปีแล้วใบพัดหัวใจและบัลโมรุบัลรหัวใจทั้งคู่ท่านก็อยากให้หนูกลับไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปดูแลท่านแต่หนูก็ไม่มั่นใจว่าพลังของหนูอะค่ะที่หนูตั้งใจอยากหนูจะมีโอกาสทำให้ในวัตรกรรมตัวนี้ค่ะได้รับประโยชน์แค่ไหน อ, อนาคตรเราไม่รู้หรอกเราก็ทําได้ในปัจจุบันทําให้มันดีที่สุดทําตามกําลังตามความสามารถของเรา ส่วนผลมันจะออกมาอย่างไรนี้มันก็ต้องรอดูมันตอนอนาคตตอนที่มันเกิดขึ้นเราอย่าไปกังวลกับผลเพราะว่าบางทีมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็อาจจะไม่เกิดหรืออาจจะมีอุปสรรคขวางกัน้นมันก็ไม่เกิดก็ได้ฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องผลมากจนเกินไปขอให้เรามาสร้างเหตุที่จะทาให้เกิดผลก็แล้วกัน สร้างได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณรู้จักกำลังของเราอย่าทำอะไรที่เกินกำลังมันจะทำให้เราท้อแล้วผิดหวังได้ฉะนั้นต้องดูดูรู้จักคำว่าทางสายกลางเหมือนสายพินเนถ้าเราไปขึงมันตึงเกินไปมันก็ขาดถ้ามันหย่อนเกินไปมันก็ดีดไม่ได้ต้องให้มันพอดี พอดีกับกำลังของเราพอดีกับความสามารถของเรายานันเราอย่าไปวาดผลที่มันเกินความสามารถของเราเพราะว่ามันจะทำให้เราผิดหวังและทำให้เราเสียใจได้แล้วหนูควรที่จะเป็นปนวัตกรรมรเราควรที่จะต่อจิ๊กซอว์ให้คนอื่นมารับช่วงต่อจากเราไปไหมคะก็มันเป็นเราทำหน้าที่ของเราไปส่วน ต่อไปคนจะมารับช่วงหรือไม่รับช่วงเราก็ไม่รู้เขาอาจจะโยนทิ้งใบก็ได้เขาอาจจะมีความคิดเห็นของเขาเองเขาอาจจะคิดว่าทางของเราไม่ถูกเขามีความคิดใหม่ๆของเขาก็ได้งั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นเราก็ทําไปถ้ามันดีจริงเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ประสานต่อเองถ้ามันเขาเห็นว่ามันไม่ดีหรือว่าเขาเห็นว่าความคิดของเขาดีกว่าเขาก็อาจจะเอาของเขาขึ้นมาก็ได้ นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกสังเกตดูเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนการปกครองทีเปลี่ยนนายกทีเปลี่ยนนโยบงนโยบายแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามความเข็นของคณะที่เข้ามาใหม่เพรนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องอนาคตเราตอนนี้มีหน้าที่ทําอะไรเราก็ทําไปให้มันดีที่สุดก็แล้วกันส่วนผลมันจะออกมามากน้อยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความสามารถของเรา เราได้ทาได้ทางนี้ก็ก็ดีกว่าไม่ได้ขอให้เรามองกับว่าดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยก็ได้แต่อาจจะไม่ได้มากเท่าที่เราอยากจะได้แต่เราอย่าเอาความอยากมาเป็นประมาณความอยากไม่มีขอบเขตได้คือก็จะเอาสอบทันทีงั้นเอาเอาเหตุผลเป็นประมาณเอาความสามารถความรู้ความสามารถของเราเป็นตัวตั้ง แล้วตัวผลมันก็จะตามมาตามความรู้ความความสามารถของเรา <Okay. S 1> แล้วเราจะสบายใจแบบอึงอ่างอย่าไปอย่าไปแบ่งให้มันท้องแตกเคยอ่านนิท น, นทานิศพมั้ยอึงอ่างวัวมันมาวัมมาวมันมาดัานเฉียดเหยียบลูกลูกอึงอาง ลูกอ่างมาฟ้องแม่บอกว่ามีวัวตัวมันมาเหยียบแม่ถามมันใหญ่ขนาดไหนเบ่งท้องขึ้นมาดูใหญ่แค่นี้หรือเปล่าใหญ่กว่านี้นอีกเบ่งอีกเด็วก็ท้องแตกตายคะคะค่ะสาธุค่ะโอเคมีอีกไหมไม่มีเลยถามได้อย่าถามอะไรก็ถามได้อไม่ถามก็ไม่ถามไม่บังคับได้ทั้งนั้น ถามเรื่องลูกสาวอะค่ะที่เรียนหมออยู่ต่างประเทศทำไมเนี่ยเขาเรียนไปเสร็จจบก็จบไม่จบก็ไม่จบเพิ่งก็มีเท่านั้นนะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จบไปทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเรียนไม่หยุดมันก็มันก็จบถ้ามันเป็นทะเลถลายมันไม่เรียนมันก็ไม่จบนะเราไปทําอะไรได้เขาอยู่ที่นั่นเราอยู่ที่นี่ค่ะ ชีวิตของเขาเราก็ทำเต็มที่ของเราแล้วเราสนับสนุนส่งให้เขาไปเรียนแล้วส่วนเขาจะเรียนไม่เรียนเราไปเราไปบังคับเขาไม่ได้นะยังอย่าไปกังวลค่ะชีวิตมันมีทางไปของมันอนะ่ะมันไปจนกว่ามันจะจบแนละ้วมันไม่ไปเป็นหมอมันอาจจะไปเป็นอย่างอื่นก็ได้คือเขาเรียนนะคะเขาเรียนก็ตั้งใจคิดว่าจบแต่ ประมาณก็นั่นแหละหนูก็มองว่าก็จริงๆก็คือเป็นความคาดหวังแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือทางของเขาก็คือแค่คุณแม่คาดหวังว่าปัญหาของเราาคือคาดหวังค่ะเราเป็นพวกวิตกจริญมากกว่าเราะะั้นเราต้องเราต้องอย่าใช่วิตกจริตมันเกิดจากความอยากความเพ้อฝันอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันทีนนี้มันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดี อย่างเราต้องมองความจริงอย่าไปมองความความอยากความอยากมันหลอกเราแล้วทำให้เราวุ่นวายใจเพราะมันขัดกับความจริงไง เห็นมองตามความจริงอย่างภาษาฝรั่งเศสก็เลยเคเซลาเซลาเคเซลาเซลา่ไเปปากเลฟงนี่ก็มาจากนี่เ้ามาจากปารีสนี่คือสอนกีเป็นแค่การเก่าอนเปิดปากเลฟังสิโอเคนะ ถ้ามันวิตกเจริญมากๆก็นั่งไหวพ้พระสวดมนต์ <c oughs> นั่งสมาธิบ้างหยุดความคิดปูกแต่งบ้างแล้วใจจะสบายเป็นอึ่ง อ, อ่างคาดหวังสุดนะฮะนะรู้เลยหมูคาดหวังคาดหวังจยากเปลี่ยนประเทศ <c oughs> <c oughs> แบบนวัตรกรรมใงงนการศึกษาไปจดเล็กสิทิ์แล้วค่ ะ, ะ <c oughs> แต่เวลาไปพูดที่ไหนบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจต่อไป เจอได้ได้านตามสบายขาทีไปดีมาดีแล้วนก้าวปลอดภัยมาประชุมเหรอมานํานวัตกรรมมาถมามาประชุมค่ะเราก็เห็นเขาเยอะะก็เลยพามาที่นี่อ๋อยินดีูลูกศิษย์ท่านว่าท่อะไรก็ตามแต่ไม่ทําตามท่านเลยไม่ทําตามแต่ท่านบอกไม่ใช่ตัวกูของกูใช่ใเราเป็นตัวกูของกูไปหมดอะมันเหมือนกับว่าแบบโทก่อนก่อนจะ ประมาณไหนพอเรามีกำลังที่ไหวก็อยากจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติค่ะก็ลืมคำสอนของท่านไปท่านสอนโอเคมาจากสุราษฎร์สวนโมกค่ะอยู่ที่ตัวจังหวัดเลยค่ะต่อไปคำถามจากทางบ้านนะครับคุณจินคอบ น้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับโปรดอธิบายธรรมมคถาที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมครับคือความหมายมันเราแปลไม่ได้แล้วเราแปลแต่ความจริงของมันได้การพิจารณากายในกายก็ได้เราพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเวทนาในเวทนาก็ให้เราพิจารณาเวทนาของเรา ในเวลาเรามีความรู้สึกนี่เรียกว่าเวทนาตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรสุขหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่าหรือไม่สุขไม่ทุกข์ให้ดูมันแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันอ่มันสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปอันนี้เรียกว่าให้พิจารณาเวทนาในเวทนาเพราะฉะนั้นคําแปลมันเป็นเหมือนภาษาอังกฤษที่เราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราบอกเราพูดอิงกฤษงูๆูปลาปลาพอไปแปลเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งมันก็งง I speak English snake snake fish fish เนี่ยอ่ามันแปลตามตัวอักษรเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้แปลตามความหมายอันนี้ก็อาจจะแปลตามตัวอักษรในสมัยสมัยพุทธกาลก็พูดแบบนี้กันเราก็เลยมาแปลตามตัวอักษรพอสมัยนี้เราไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วมันก็เลยงงใช่ไหมใช่ไหม ความหมายความจริงก็คือให้เราพิจารณาร่างกายถ้ากายในก็ร่างกายของเรากายนอกก็ร่างกายของคนอื่นเวทนาในก็เวทนาของเราเวทนานอกก็เวทนาของคนอื่นจิตของเราเป็นยังไงจิตเราสุขจิตเราทุกข์จิตเราเครียดจิตเราสบายอันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาจิตในจิต เยันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราจะงงกับคำคาพูดแล้วก็อ่านต่อไปขยายความเสีท่านก็ขยายความต่อว่าการพิจารณากายในกายเป็นยังไงทั้งก็สอนให้พิจารณาอาการสามสิบสองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอ่านทั้งทั้งเรื่องให้มันครบกระบวนการเราก็จะไม่มาติดอยู่กับคำว่า กายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาเพราะท่านขยายความต่อไปว่าเวทนาในเวทนาเป็นยังไงจิตในจิตเป็นยังไงกายในกายเป็นยังไงอ่านให้มันจบสิในสติปัฏฐานเนี่ยท่านแสดงธรรมแล้วอ่านแค่หัวข้อแล้วเราก็หยุดเราไม่ฟังต่อคำถามต่อไปจากคุณเบญจาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ นั่งสมาธิไปสักพักรู้สึกได้ว่าใจจะยิ้มยิ้มหนูไม่แน่ใจว่าอธิบายอย่างไรบางครั้งขณะนั้นพุทโธจะหายไปบ้างหากเป็นแบบนี้หนูกำลังหลงอยู่หรือเปล่าเจ้าคะถ้าไปหลงกับความยิ้มก็หลงอยู่อย่าไปสนใจกับความยิ้มมันเป็นอาการที่เกิดจากใจที่จะเริ่มมีความสงบมันมีปิติมันก็ยิ้มเยิมขึ้นมาอิ่มเ อ, อิบใจขึ้นมา อย่าหยุดพุโทโธให้พุโทโธต่อไปเพราะว่าเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปเราต้องไปสู่อุเบกขาไม่ยิ้มไม่อะไรเฉยเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจนิ่งสงบแต่มีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากใจที่ยิ้ ม, ยมแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดนะแต่ว่าหลงก็ได้ถ้าไปติดอยู่กับการกา ร, การยิ้มของจิตนะมันเป็นอาการปิติอย่างหนึ่งนะอย่าไปสนใจ พุโทโธต่อไปคำถามต่อไปจากคุณธรรมนูนกราบนรัตการพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามว่ากระผมเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากมุ่งมั่นพยายามและทำงานละเอียดมากจนเกิดมานะถือตัวในเรื่องในความเรื่องมากนี้พอเห็นใครทำงานไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจไม่พยายามเช่นเดียวกับตัวเองก็จะหงุดหงิดจนถึงขั้นโมโหบ่อยครั้ง อยากเรียนถามว่าพระอาจารย์พอจะมีอุบายในการลดมานะหรือความถือตนเช่นนี้บ้างหรือไม่กราบขอบพระคุณครับเราก็ต้องมงว่าคนเราไม่เหมือนกันไงเราเป็นอย่างนี้แต่แล้วเราจะต้องเราจะไปคิดว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนเราเป็นไ ป, นปนไม่ได้โลกนี้มันเป็นโลกที่มีคุกเขากับคนทุกแบบคนที่เหมือนเราก็มีคนที่ไม่เหมือนเราก็มี คนที่เก่งกว่าเราก็มีคนที่เก่งเท่าเราก็มีคนที่เก่งน้อยกว่าเราก็มีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาดีที่สุดยุ่งกับเรื่องของเราคนเดียวก็พอการที่เราอยากจะทำอะไรให้ดีๆนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นแต่ว่าอย่าไปยึดติดจนกระทั่งเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ทำไป ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องของคนอื่นนี้เราต้องมองแบบกว้างๆโลกว่าคนนี้มันมีหลากหลายด้วยกันมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันถ้าเราไปเอากรอบของเราไปใส่ในทุกคนมันก็จะทำให้เราเครียดขึ้นมาเพราะมันไม่ มันไม่มันไม่ใส่ไม่ได้เหมือนเอารองเท้าขนาดของเรานี้ให้คนอื่นเขาใส่เนี่ยเท้าของเรานี่มันไม่ใช่เป็นเท้าที่ทุกคนใส่ได้เท้าบางคนก็ใหญ่กว่าเราบางคนก็เล็กกว่าเราบางคนก็เท่าเราให้มองอย่างนี้คือทางที่ดีที่สุดก็อย่าไปสนใจกับเรื่องของคนอื่นเขาสนใจกับเรื่องของเราดีกว่าถ้าเราหงุดหยิดลำคาญใจเราก็ต้องตัดมัน ให้รู้ว่าความหงุดหงิดลาใจลมคาญใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากอยากในสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้มันก็เลยทำให้เราหงุดหงิดลาคาญใจถ้าเราอยากจะหายหงุดหงิดเราก็หยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นเหมือนเราคำถามต่อไปจากคุณอังคณากราบนรมาสการ์ค่ะกรณีบริจาคร่างกายเมื่อตายไปแล้ว จิตที่ยังแยกกายแยกจิตไม่ได้จะยังวนเวียนเฝ้าอยู่กับร่างกายที่เขาดองไว้จนกว่าจะเผารอเปล่าคะหรือขึ้นอยู่กับสภาวะจิตสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราลักขวงร่างกายเราขนาดไหนแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาไม่มีใครเขามาวนเวียนมาอยู่กับซากศพหรอไม่มีใครอยากได้ซากศพหรอก แ่นั้นไม่ต้องกังวลเบิจากแล้วพอตายไปนี้บุญกรรมมันก็จะดึงไปที่จะกลับมาวนเวียนอาจจะเป็นของบางอย่างที่รักมากขวงมากเช่นพระนี่รักจีวรมากขวงจีวรมากอยากจะกลับมาอยู่ใกล้กับจีวรของตนแต่ก็มาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะมันถ้าเป็นมนุษย์มันต้องหลายเดือนหลายปีพาวนั้นก็มนรุรย์จะไปอยู่ที่ไหนแล้ว การที่จะกลับมาอยู่ใกล้ผ้าได้เร็วที่สุดก็มาเกิดเป็นตัวมแมลงแต่พอมาเป็นตัวมแมลงก็รู้ว่าไม่สามารถใช้ผ้านั้นได้เหมือนเมื่อก่อนนี่แล้วพอตัวมแมลงนั้นตายไปมันก็มันก็ทิ้งผ้านั้นไปยังไม่ต้องกังวนลอ่ะเวลาตายไปแล้วเวลาตายไปแล้วมันจะไปไหนที่ไหนอย่างไรขอให้รู้อยู่นี้ก็แล้วกันว่าถ้าทําดีมันก็ไปดีถ้าทําไม่ดี ท, ทําบาปมันก็ไปไม่ดี ถ้ามีความวิตกกังวลมีความหองอยยายมันก็อาจจะกลับมาป้วนเปี้ยนอยู่สักระยะหนึ่งแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปเราเราทำอะไรไม่ได้เราทำได้ตอนนี้ตอนนี้เราพยายามทำดีอย่าทำบาปแล้วพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแบบสบายคำถามต่อไปจากคุณมีมี่ การจะเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติและผ่านอุปสรรคเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากและมีกิเลสคอยดึงไว้จะมีแนวคิดหรือกุศโลบายอย่างไรให้ตั้งใจทําและผ่านไปให้ได้ครับ อ, อ๋อแล้วก็เอาทีละนิดทีละหน่อยถ้ากําลัง น, น, น้อยเราก็อย่าไปสู้กับข้าศึกทั้งหมดเลือกข้าศึกตัวไหนตัวหนึ่งก่อนแล้วเอาข้ามันทีละตัวทําแบบสง่ามกองโจรเขานี่ไหมถ้าเราไม่มี ทัพใหญ่ที่สามารถบุกไปตีบ้านตีเมืองเขาได้เราก็ใช้แบบแผนของกองโจรคอยหาช่องไหนที่ค่าศึกษัตรูมันอ่อนแล้วเราสามารถทำลายเขาได้เราก็เอาตรงนั้นเช่นเราก็มาเลือกหาอุปสรรคอันไหนที่เราคิดว่าเราแก้ได้ก่อนแล้วค่อยๆแก้มันไปทีละตัวอย่าไปทำแบบแบบยกกองทัพสู้กับมันอยนันอาจจะต้องคอยเก็บ ฆ้าสึกษัตัวทีละตัวถ้ามีความขี้เกียจก็พยายามบางังคับให้มันในเวลาบางังคับมันเขียนตารางไว้ว่าถึงเวลานี้ต้องปฏิบัติต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องทำอะไรล้วค่อยแก้ไปทีละตัวค ำ, คำถามต่อเนื่องนะครับอุปสรรคบางอย่างที่ต้องใช้กำลังของร่างกายมากเกินความสามารถพักผ่อนน้อยและเกือบล้มป่วย แต่เป็นสิ่งที่ต้องฝ่าฟันเพื่อหนทางปฏิบัติธรรมควรคิดว่าเป็นการฝึกขันติบา ร, รมีหรือมีแนวคิดอย่างไรครับก็มันมีทางสายกลางของทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันทำเกินกำลังร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็เสียหายทำอะไรไม่ได้เลยถ้าทาน้อยเกินไปมันก็ไปช้าไปไม่ได้ไกลไปไม่ได้มากนี้นเราก็ต้องดูกาลังของเรา กำลังของร่างกายของเราว่ามันความพอดีของมันอยู่ตรงไหนต้องทำแบบไม่ให้มันเจ็บใข้ได้ป่วยแต่อย่าไปทำให้มันอยู่อย่างสบายจนเกินไปโดยไม่ได้ทำทีละนิดเทียหน่อยน้อยเกินไปต้องรู้จักทางสายการของเราดูรู้จักกำลังของเราว่าเราสามารถที่จะทำถึงขีดของมันได้เต็มที่ตรงไหนก็ทำแค่ตรงนั้นไปก่อน ถ้าทำแล้วมันเลยไปแล้วเกิดผลเสียขึ้นมาเราก็ต้องลดระดับลงมาถ้าทำน้อยไปเราก็ค่อยๆเพิ่มมันไปทีละ น, นิดเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงขีดที่เกิดความเสียหายเราก็หยุดเพิ่มคำถามจากคุณจามีสี่คำถามครับขอกับเรียนถามพระอาจารย์คำถามที่หนึ่งหนูตั้งใจปล่อยสัตว์อย่างน้อยอาทิตย์ละตัวค่ะทามาอาทิตย์ที่สิบเอ็ดแล้ว บางคนบอกการปล่อยสัตว์บางทีก็เป็นการสร้างบาปโดยไม่รู้ตัวเลยไม่ทำกันแต่หนูรู้สึกว่าช่วยสัตว์ให้พ้นจากความทรมานเช่นปล่อยปลาดุกปลาช่อนปลาไหลที่ตลาดปกติปล่อยตามคลองบึงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าปล่อยผิดที่ไหมหนูควรช่วยชีวิตสัตว์อย่างไรให้ได้บุญไม่บาปทำอย่างถูกต้อง ก็ปล่อยในที่ที่เขาสามารถอยู่ต่อไปได้อย่าไปปล่อยที่ต้องมีสัตว์อื่นมาเลากัดมากินอย่างงี้เราก็ต้องรู้ว่าที่มันปลอดภัยของเขาอยู่ตรงไหนก็ไปปล่อยที่ตรงนั้นะความจริงถ้าปล่อยแล้วเขาถูกกัดกินเราก็ไม่ได้ทําบาปเพราะเราไม่ได้เป็นคนทักทําเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถึงคราวของเขาหรือว่าเราอาจจะไม่รอบครอบเราไม่ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นอันตรายต่อเขา เราก็เลือกหาที่ที่เรารู้ว่ามไม่เป็นอันตรายตามแม่น้ำลาคลองอต่างๆที่ปลาทั่วไปก็อยู่ได้มันก็น่าจะปลอดภัยแล้วก็ไปทำอย่างนั้นถึงแม้เขาตายก็ไม่ได้ตายจากมือของเราเราไม่ได้ฆ่าเขาแต่เขาตายเพราะว่าคนอื่นสัตว์อื่นฆ่าเขามันก็ช่วยไม่ได้อาจจะไปปั๊บถูกคนเาพอดีไปเจอเบ็ดเจอเหยื่อเขา้าไปฮุบก็ถูกเขาจับกินไปกินเบ็ดเขา้ามันก็ ถูกก็ตกจับขึ้นไปค่าแกงต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปคำถามที่สองมีคนบอกว่าปล่อยพวกปลาช่อนลงไปมันก็จะไปกินลูกปลาแต่พอเห็นมันจะถูกทุกผัวก็อยากช่วยหนูปล่อยปลาช่อนอย่างนี้ผิดหรือสร้างบาปขึ้นไหมครับไม่ผิดเราเรช่วยชีวิตเขาแต่เขาจะไปทำบาปเป็นรเรื่องของเขาเขาก็ต้องอยู่ของเขาตามภาษาของเขาเขาก็ต้องกินสัตว์แข่ก็ต้องกินอาหาร ถ้าไปช่วยให้าเขาแล้วแม่ให้เขากินอาหารแล้วไปช่วยเขาทําไมเขา ก, เขาก็เขาก็ต้องอดตายอยู่ดีเอนี่ไม่เกี่ยวกันเรื่องตัวเขาจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเราช่วยให้เขาพ้นจากการถูกฆ่านี่เป็นบุญอยู่แล้วคําถามที่สามเราปล่อยสัตว์ชนิดไหนแล้วไม่ควรกินสัตว์ชนิดนั้นเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรคะรา อ, อไม่จริงเหรอถ้ามันตายแล้วเรากินได้ทั้งนั้นเนี่ยที่ไม่ไปกิน สันที่เราต้องไปฆ่าเองท่านเพราะเราไปปล่อยเขาแล้วเราจะกลับมาฆ่าเขาทำไมแต่ถ้าเขาไปถูกคนอื่นจับแล้วฆ่าแล้วเข้ามาขายที่ตลาดเราไม่รู้ว่าเป็นเขาเราก็กินได้ <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณแอรกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ในหนังสือหลักธรรมของใจของหลวงตามหาบัวที่พระอาจารย์พิม์แจกให้เป็นธรรมทานมีประโยคหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าหนทางดับทุกข์คือสมมุทัยหนทางดับทุกข์คือมรดับดับทุกข์โดยสมมุทัยคือการดับทุกข์ โดยไม่รับสิ่งต่างๆเข้าร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการดับทุกข์คือมักหมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ ส, สีใช่ไหมเจ้าคะ คงใช่เมท่านอยู่ในหนังสือมันก็ไม่ต้องมาถามเราอยู่แล้วหลวงตาท่านก็ <c oughs> เราจะไปอะไรกับหลวงตาได้ที่ไหนเราเรียนจากหลวงตาหนังสือของหลวงตาท่านก็ต้องว่าอย่างนั้นเอยเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจเมื่อที่พูดตอนช่วงแรกสมุทัยนี้เราไม่เข้าใจต้องอ่านใหม่เลหนทางดับทุกข์คือสมุทยัยหนทางดับทุกข์คือมรร มันมันสองอย่างมันได้ยังไงสมูทาย ม, มันเป็นหนทางสร้างทุกข์มันไม่ใช่นหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์คือมรรคถูกแล้วมรรคเป็นเครื่องดับทุกข์แต่สมูทายนี้เป็นเครื่องเป็นเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาเหตุของทุกข์นี่คืออริยสัจสี่เพราะฉะนั้นอ่านผิดหรือเปล่าหรือพิมพ์ผิดหรือเปล่าน่าจะพิมพ์มาจากต้นทางนะครับนั่นน่ะสิ มันจะเป็นสองอย่างเป็นเป็นเป็นเหตุอันอย่างเหมือนกันได้อย่างไรสมุทัยก็เป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มาร์กัสก็เป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ถ้าจะพูดอาจจะพูดในเชิงลักษณะว่าเป็นการเล่นโวหารหรือเปล่าคือคนเรามันต้องมีความทุกข์ก่อนมั้งมันถึงจะหาวิธีดับทุกข์อีกที่หนึ่งอันนี้ที่มีเขาพูดอยู่เรื่อยว่า ทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดใช่ไหมถ้าไม่มีทุกขมร ก, ก็ไม่เกิดถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยาก็ไม่ไม่กินใช่ไหมเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องหายามากินถ้าหาถ้าไม่มียาก็ต้องค้นคว้าผลิตยากันขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้พยายามผลิตยากแก้เอดแก้แกไวรัสอะไรกันวุ่นไปหมดเพราะเมื่อมันมีโลกมันก็ต้องมันก็ต้องมาแก้ ฉะอันนี้อาจจะพูดว่าถ้าไม่มีสมุทยัยมรรคก็จะไม่เกิดก็ได้ต้องมีสมุทัยก่อนมอสมุทัยมาก่อสร้างให้เกิดทุกข์พอเกิดทุกข์แล้วถึงนี้ก็ต้องมรรคก็ต้องมาต้องหามรรคมาแก้สมุทยัยทุกถึงจะดับลงไปได้อันนี้ก็ตอบได้แค่นี้แต่ แต่อย่าขอให้เราอย่ามาบอกว่าเรามาแก้อะไรของหลวงตาเนะเพราะเราไม่ไม่อาจเอื้อมเพียงแต่ว่าพูดตามที่เขียนมาถามมาแล้วอาจจะฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่เข้าหลักก็เลยขอเอาความรู้เล็กๆน้อยๆ น, นี้มามาตอบคุณแต่ไม่ได้ตอบหลวงตาเนะ่ยนี่เราก็ต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวเอาเอ้างว่าเรานี่มาสอนหลวงตามาแก้คําสอนหลวงตาไม่กล้านะ